บางที่เราอยู่กับบ้านกับเรือนเนี่ยมันมีเรื่องที่เผาลมจิตใจเรามากมายไม่ว่าเรื่องไฟราคาไฟโทรศัพท์ไฟมือหารุมเราเราแต่ละวันเนี่ยมากมายเหมือนผักที่เรากำลังปลูกเมื่อถูกแดดฟาดแดดจัดฟาดมันก็หวิวคนที่ปลูกผักเขาก็เอาอะไรไปมุงในช่วงปลูกแรกๆให้มันตั้งตัวได้ซะก่อนพอตั้งตัวได้ ถูกแดดไม่ฟาดไม่หิวเขาว่าปล่อยมันสู้แดะสู้ลมได้จิตของเราเหมือนกันผู้ปฏิบัติใหม่ๆกลับไปเนี่ยก็ไปถูกความร้อนจัดๆร้อนอารมณ์ของคนอารมณ์ราคะโทสะโมหะฟาดลงไปจิตใจก็หิวห่อหิวทุกท้อทอถอยและส่วนหนึ่งทำให้จิตใจของเราที่มันถูกไฟอารมณ์มันเผาจัดๆเนี่ยถ้ามี การได้ยินได้ฟังบ่อยๆมันก็จะเหมือนกับได้ลดน้ําเหมือนกับได้มีอะไรคอยป้องคอยบังไม่ให้แดดหรือลาคะาโถสัมหัเผานานเกินไปมันก็ฟื้นตัวพอจิตมันฟื้นตัวมันก็จะเติบโตได้เรื่อยๆอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องฟังบางคนเราบอกปฏิบัติอย่างเดียวอย่าฟังเลยบางทีก็พูดไม่ไม่จบ คนไม่เหมือนกันบางคนก็เป็นอย่างนั้นได้บางคนเป็นอย่างนั้นไม่ได้เราก็ต้องดูคนนะบางคนก็เดี๋ยว่าฟังไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆบางทีซีดีแผ่นเดียวหรือเทปม้วนเดียวฟังก็ได้เป็นร้อยครั้งพันครั้งบางคนก็เจอหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อในซีดีแผ่นนี้ฟังกันมาไม่รู้กี่สิบครั้งพ่อไป ม, มีซีดีใหม่ แต่ฟังแต่ราคามันก็ได้สาละใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนั้นการฟังตัวนั้นมันเหมือนกับเสียมหรือจอบที่ขุดลงไปขุดลงไปขุดลงไปมันก็เรื่องเก่าเสียมด้ามเก่าจอบด้ามเก่าเนะี่ยแต่เวลาขุดลงไปมันไม่ได้อยู่ที่เก่าฟังลงไปแล้วจิตก็มไม่ได้อยู่ที่เดิมจิตของเราพัฒนาไปเรื่อยๆตอนแรกจิตของเราเหมือนกับลดน้ำลดน้ำครั้งแรกมันอาจจะซึมลงไป ทีดหนึ่งดินมันแข็งมันแห้งมันกลางมานานลดน้ําเท่าไหร่แรกๆ ม, มันเคยลงพอรดบ่อยเข้าบ่ยเข้าน่าดินเริ่มชุ่มมันก็ลุนซับน้ําได้ลดบ่อยเข้าบ่อยเข้ า, ขาก็ซึมลึกลงไปเรื่อยๆจิตของเราที่มันแห้งผากมาจากศรัท ธ, ธาริยะสติสัมผัสปัญญามานานได้พบชาติกับกันจิตของเรามันแข็งมันกระด้างเต็มไปด้วยทิฏฐิ ต่างทิถิมาน่าแข็งพอได้ฟังครั้งที่หนึ่งนองเออผ่านไปครั้งที่สองซึมลงไปนิดหนึ่งฟังครั้งที่สามซึมงไปนิดหนึ่งฟังครั้งที่สซึมไปนิดหนึ่งพอฟังหลายครั้งหลายครั้งก็ซึมลึกลงไปซึมลึกลงไปก็เรื่องเก่าเนี่ะน้ําก็อันเดิมเละน้ําก็ไม่มีน้ําใหม่แล้วแต่ว่าลดบ่อยๆในน้ํามีคุณภาพและความเย็นอยู่ ในดินมีคุณภาพเห็นปุ๋ยอยู่แต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่มาปสมรวมกันก็ไม่สามารถจะสังเคราะห์ธาตุอาหารแห่งธรรมได้จิตของเราก็จะเติบโตเมื่อทานอาหารของของธรรมที่มันมีศรัทธานัะนมีปัญญาคอยครุกเขาอยู่เป็นประจำนะอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมต้องฟัง บางคนฟังอันเดียวเนี่ยไม่ได้อารมณ์คือไปฟังอีกวันหนึ่งมันได้อารมณ์ขึ้นมายุ้แม่ก็จะมาสมัยที่ยี่สิบปีก่อนพาไปเข้าเขืนที่ป่าหฮ้ยกลุ่มเพราะอตอนเย็ยนๆตอนเย็ยนบางวันเนี่ยมาจะเปิดเทพหลวงพเทียนให้ให้อารมณ์พระทุกวันบางวันไม่ใช่ทุกวันที่เขื่อนหฮ้ยกลุ่มที่ยุ้แม่ก็ทำครัวอยู่เราก็ฟังเทพหลวงพ่อเทียนไปด้วยในช่วงที่เราเปิด ที่มีอยู่หนึ่งวันหนึ่งแกได้ลูอยงนี้ก็ฟังแล้วแวลฟังเกิดประทักใจน้ำมูกน้ําตาไหลกับการฟังครั้งนั้นแกก็มาบน่นกับทางว่าเอ๊ะทำไมทุกวันไม่เปิดเทปมูลนิในทุกวันไม่เปิดเสียงตรงนี้ความจริงแล้วก็เปิดแต่ว่ามันไอช่วงฟังก่อนๆมันมันยังไม่เข้าไปฮิตมันยังเข้าไปกระทบอารมณ์จุดนั้นเลยแต่วันนั้นเสียงนั้นเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่จําเป็นต้องเรื่องเดิมแต่ว่า มันได้อารมณ์พอดีตัวนี้เข้าไปกระทบพอดีมันก็เกิดได้อารมณ์ขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นน้ำขันแรกกับขันสุดท้ายที่ผลไม้จะออกนะขันแรกถึงขันสมมุติร้อยขันนะผลมันจะออกขันที่หนึ่งถึงขันเก้าสิบเก้าดูเหมือนไม่ไม่ไม่มีผลแต่ขันที่ร้อยมันเกิดออกดอกขึ้นมาเราัะไปนับวอกขันที่ร้อยนั่นแหละ เราไม่นึกถึงว่าขันที่99ของน้ําที่ลดไปมืามจิงมันก็เป็นทุกวันอาจจะไม่ไม่ถึงพร้อมอยเงี้ยแล้ปฏิบัติมาฟังมาเป็นร้อยร้อยครั้งครั้งที่99มันไม่เวิร์กพอครั้งที่หนึ่งรอยมันเวิร์กแล้วพอขั้นที่หนึ่งร้อยมันดีไม่ใช่พวจิงมันก็สั่นมาสูญไปเรื่อยๆการสร้างจ่ว่าขั้งที่หนึ่งไปถึงขั้งที่หนึ่งล้านมันยังไม่เวิร์กพอล้านที่สอง พอร้านที่อันสุดท้ายมันเกิดวอร์ขึ้นมาบร้านที่สุดท้ายมันดีอาจารย์ที่คนที่สี่ที่ห้านีๆอาจารย์คนที่หนึ่งที่สนี่ไ่ได้ที่สี่ไม่ได้เรื่องเลยนะแต่อาจารย์คนที่ห้านี่ไม่ใช่จริงก่อนไปถึงอาจารย์นั้นก็อาจารย์ขั้นที่ 1- ถึงที่สเนี่ยมันก็ซึมลึกเข้าไปเยอะแล้วพอไปเจออาจารย์คนที่ห้ามาได้อารมณ์เขาดีเขาบอกอาจารย์คนที่5้านี่ดียมโยมคนนี้ดีนะพระองค์นั้สอนไม่ได้เรื่องเล ความจริงก็มาได้เรื่องทุกคนนะแต่ว่ามันยังไม่ไปถึงจุดนั้นอันนี้สาเหตุว่าอาจารย์โน้นทําไมสอนดีอาจารย์นีน้ทําไมพูดดีความจริงก็พูดดีทุกองค์แต่ว่าองค์ที่จะไปกระทบอารมณ์เราองค์สุดท้ายเนี่ยมันถึงความพร้อมความถึงพร้อมของอารมณ์มันได้ตรงนั้นพอดี <c oughs> คําพูดคํานั้นมันได้ความถึงพร้อมเกิดอารมณ์ตรงนี้แล้วก็บอกเอออาจารย์อโนั้นพูดแล้วเกิดเข้าใจความจริงก็เข้าใจมาทุกองค์แต่มันยังไม่ถึงจุดนั้นของมัน ความส้อมของอารมณ์เราต้องเข้าใจานั้นเองกันได้ยินได้ฟังก็เหมือนกับวันหนึ่งไอ้ที่เลี้ยงอารมณ์ของเราอารมณ์กรรมฐานมระจาวันให้มันให้มันเติบโตมันอุ่นเอาไว้บางทีซีดีม้วนเดียวกันพบฟังอีกครั้งพบอัพขึ้นมามันฮิตมันกระทบจิตของเราขึ้นมาได้อารมณ์อันนี้คือจิตของเรามันเติบโตเรื่อยๆ ดับใดที่มีตัวสติสมัยยะที่เป็นสมาสติเนี่ยเข้าไปซึมซับเข้าไปทุกวันทุวันนะเหมือนกับต้นไม้แล้วลดน้ําเรื่อยๆไอความเติบโตของไม้ก็เจริญเติบโตเรื่อยๆนะการได้ยินได้ฟังกันทําเรื่อยๆการได้ยินได้ฟังเหมือนน้าจิตของเราที่อ่อนโยนมีความพร้อมตัวสัตยา น, นะ ทำให้ดินนุ่มสลวยตัวปัญญาคือคุณภาพของปุ๋ยโองดินของน้ําทําให้ได้สังเคราห์ธาตุอาหารจิตของเราเปรียบเสมือนมเมล็ดพืช ต, ตรงนั้นก็เติบโตจิตของเราเหมือนต้นไม้ต้นนั้นสติเหมือนมเมล็ดพืชพันุเ ต, ติบโตไปเรื่อยๆจนกระทั่ทงเกิดดอกเกิผลแล้วเมมกิดมรรคเกิดผลถ้าเป็นภาษาต้นไม้ก็เลยเกิดหมากเกิดผล ก็เภาษานามธรรมาภาษาจิตเก็เกิดมากเกิดผลอันเดียวกันนั่นแหละแต่อันหนึ่งเป็นรูปธรรมนึงเป็นนามธรรมานะดังนั้นเราจะเห็นว่าการเกิดสติแบบนี้มันมีเหตุมีผลที่ตรองตามเห็นได้วุฒิเจ้าท่านถึงสเสนอเรื่องอนุสาสนิปฏิหารท่านไม่ไม่สเสนอเรื่องอิทธิปฏิหารหรืออเทศนาปฏิหารอิทธิปฏิหารนก็ใช้ สมถะเขาช่วยเยอะหน่อยบุงคนไม่มีกําลังของสมาธิสูงทําสมถะไปไม่ได้มันก็ใช้อิทธิปฏิหารไม่สําเร็จอบางคนก็อัปนาสมาธิก็ <Okay. S 1> ทํายากอุปจาระสมาธิก็ทํายากอุ <Okay. S 1> จาระสมาธิทําให้เกิดอาเทศนาปฏิหารอืม <Okay. S 1> ก็ยังไม่เคยได้ก็เามื่อเอาคณิกะสมาธิสมาธิเกิดที่แล้วขณะขณะคณิกะสมาธิที่ทําบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดตัวอนุสาสนีปริหารเพราะได้เรียนรู้ตามลําดับได้ฟังตามลําดับได้ศึกษาตามลําดับได้เข้าใจตามลําดับมีปฏิหารทั้งสามส่วนเท่าๆกันแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงสเสนออนุสาสนีปฏิหารเพราะสมาธิ ทีและขณะขณะนี้ ใ, ใครก็ทําได้ไม่ว่าคนมีสมาธิไม่มีสมาธิคนฉลาดคนไม่ฉลาดก็ทําได้เหมือนกันหมดตัวขณิกาสมาธิเพราะฉะนั้นถ้านไม่ได้ยกย่องว่าภาษาลิบุตรเก่งกว่าภาษาจุฬาบรรทุกภาษาจุฬบรรทุกแม้แต่ท่องหังสือยังไม่จําเลยภาษาลิบุตรนะแค่ฟังเที่ยวเดียวก็จําแล้วแต่พอบรรลุธรรมแล้วก็เท่ากันนะ ดังนั้นเองเราก็อย่าไปท้อในการาที่จะปะลอบความเพียรเรื่อยๆมีโอกาสให้ทาเรื่อยๆแต่บางครั้งในจิตใจของเรามันทุดท้หอห่อเหียวเกินไปเมื่อไปไปสบเหตุการณ์บางอย่างลูกตายเสียเมียตาย จ, จากสม บ, บัติพลาดพราดสุขภาพไม่ดีเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทดท้หอหิวได้ตลอดนะ ทีนีส่วนหนึ่งที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจของเราได้ตลอดเวลาก็คือการได้ยินได้ฟังที่สุตตมัาปัญญาาคนเดียวสมัยนี้เขาทันสมัยก็โหลดเอาสิ่งที่ยินเนี่ยเขียนที่ัะเอียดเป็นเอ3มัทวีที้หลวงพ่อเราเขียน16บอยู่ที่เขียน24เสี่ยนี้เครื่องเปิดเนี่ยคุณภาพไม่ดีมันก็ไม่อ่านแต่เขียน16บเนี่ยมันละเอียดขึ้น คุณภาพดีไม่ดีมันก็อ่านให้นะถ้าเขียนสามยี่สี่สามสองทีต้องคุณภาพเครื่องอย่างดีมันถึงจะอ่านใส่เราเอ๊ะเรามันทํำไมไม่อ่านแผ่นเน้นก็ไม่อ่านแผ่นนี้ก็ไม่อ่านเพราะคุณภาพเครื่องที่เราอ่านมันไม่ไ ม, ไม่ไม่สูงพอที่จะไปอ่านที่เราเขียนในระดับสูงกันนะเขียนระดับสิบหกระดับแปดอย่างเงี้ยมันก็จะอ่านทุกเครื่องแต่เสียงมันอาจจะยืดช้าหน่อยเท่านั้นเองเสียงอาจจะไม่ใสเหมือนเราเขียนสูงสูงกันไ แต่ก็ยังดีฝ่านะ น, นั้นก็เมื่อก่อนอานมาก็ทำพวกนี้ไม่เป็นนะแต่ว่าเวลาไปทำงานมาข้ามมาเข้าบางทีมีคนช่วยบางทีไม่มีคนช่วยเขาก็มีงานของเขาเราก็มีงานของเราก็ฝึกามาใครเป็นครูให้นะมาฝึกหมดนะแล้วคนนั้นเป็นงานขอเรียนยู่เขาอะไรก็ดีอันนี้ในการปฏิบัติในวิปัสสนาเนี่ยถ้าหากว่าคนไหนที่ มีทิฏฐิมานะน้อยนะคนนั้นจะไปไหวแลวไปลึกมากแต่คนทหนมีทิฏฐิมาณะเยอะเนี่ย ต, ตัวนี้คือเป็นตัวอุปสรรคตัวอัตตามานะทิฐิไม่รู้ว่าใครมีอะไรดีๆมาขอเรียนเขาอะนะให้เราไม่เก่งเ็ต้องขยันนะไม่เก่งขยันเรียนขยันทำขยันปฏิบัติไม่ประมาทให้รู้ว่าเราไม่เก่งไว้ก่อนเสมมือนะ ก็ทำให้เราได้เปิดรับอะไรดีเยอะในความสำคัญมันหมายตัวเองเป็นเรื่องสําคัญมากนะแต่คนไหนที่มีจิตใจเปิดแล้วก็รู้จักเลือกมันก็จะทําให้สิ่งที่ดีสิ่งไม่มีอะไรที่มนุษย์ทําไม่ได้ในโลกนี้ทําได้ทั้งหมดแต่เขาจะพยายามหรือไม่เท่านั้นแหละนะไม่ได้เข้าไปนอกโลกไปโลกพระเจ้าังคัน เก็ยังไปได้เพราะมันอยู่ที่ความพยายามพระพุทธเจ้าสรรเสริญความพยายามไม่ได้เสริเสริญความมีปัญญามากปัญญาน้อยท่านสรรเสริญความพยายามสรรเสริญความเพียรนะวิเยนะทุกขามาเจติคนขยันจะล่วงจะพ้นทุกได้ล่วงทุกได้ท่านบันทึกบอกว่าคนมีปัญญาจะล่วงทุกได้จะโขนขยันจะพ้นทุกได้ แต่คนไหนที่ไม่ได้สร้างสมคติบารมีวิิยะบารมีอุปขาบารมีมานี่ก็จะช้าหน่อยอดไม่เป็นทนไม่เป็นขยันไม่เป็นเฉยไม่เป็นเนี่ยพวกนี้ช้ามากนะบารมีแค่สมตัวช่วยได้เยอะในบารมีสิบวิทยาบารมีคติบารมีอุปขฆา บ, รบราบรมีนี่สามตัวในใกล้เคียงกัน บางครั้งบางเรื่องบางอย่างเราต้องเฉยบ้างไม่ใช่โดดใส่ทุกเรื่องบางเรื่องก็ต้องเฉยเป็นเขาก็ล้ววุ่นวายก็กเราพูดเลิมนั้นเรื่องดีกันเราก็มองดูเฉยเฉยก่อนแล้วอย่าล่งวมงเกิดปัญหาในบ้านขึ้นมาทุกคนตก อ, อกตกใจกันหมดแล้วก็ฟังเฉยเฉยไว้ก่อนดูเฉยเฉยไว้ก่อนเดี๋ยวนี้ความได้เปรียบของผู้ปฏิบัติความได้เปรียบของผู้จเจริญปัญญาเจริญสมาธิปัญญ า, น, น, านี่ มันดูเป็นอะ่ะบางครั้งมันก็เกิดไปจากการดูตัวเองนี่เองในตัวเราเองบางครั้งมันวิกฤตการเยอะเลยเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นเดี๋ยวปวดตรงนี้ยถ้าเปรียบเสมือนเหตุการณ์ในบ้านก็คือเหตุการณ์ในตัวเรานี่แหละมันวิกฤตเป็นจะล้มจะตายให้ได้เราก็ตกอกตกใจรีบคิดว่าจะไปหาหมอไป หาคนนคนนี้คิดวุดวายไปหมดแต่ถ้าเรานี่ยดูดมันเฉยๆสักพักหนึ่งบางทีมันหายเฉยเลยวันนั้นอาจารมาถึงทมานมาเช้าเนี่ยทีสามสี่เข้าห้องน้ำที่ทางไปห้องน้ำา น, นมันต่างระดับท้าไปเหยียบยด้ยครื่องเดือบพลิกกรอบลงไปโอ้นั่งพับลงไปเลยตรงนี้คอเนี่ยวบวมขึ้นๆเรื่อยๆไอ้นั่งพับอยางไงเราก็ไม่รีบ นั่งดูมันด้วยยังไงเอามือคลำดูนวดไม่ให้คนอื่นเห็นแต่คนอื่นเห็นเขาจะตกใจเพราะมันสรุวส์วสะุวอยู่ทุกเช้านั่งนวดให้เลือดลงมมันผ่านไม่ให้เลือดลงมมันไหลครั่งมันมันเลือดรุ่มผ่านมันค่อยหายไปที่ทนี่คนิดค่อยลากตัวเองไปหา ย, ยายาหมอง อาจทวัฒน์นั่งลืมตาคุ้มกังผมนั่งหลังให้ผมยังเห็นได้ท่านมุ่งเลยก็นู่นจนวันนี้กับบที่บวมๆใหญ่ๆหายเกือปกติแล้วคือบางครั้งนวิกฤตอะไรบางอย่างนี่เพิ่งตกใจนะไอ้การส่วนหนึ่งที่ไอ้จนที่มันเป็นอะไรไม่มากแต่เราตกใจมันไปนเพิ่มสถานรรการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีกแต่ถ้าเรานิ่งๆดูมันสักพักถึงให้การที่วิกฤตรุนแรงนะมันกับ ที่หายไปเฉยเลยก็มีนะบางครังเอามาทํางานนะมันเสี่ยงคนวัดเสี่ยไว้หงพ่อเป็นพระอาจารย์สอนกรรมฐ า, านถ้าเกิดไปเป็นอะไรขึ้นมาเนะี่ยทำงานไม่ได้เสียดายเวลาหลงพ่อก็นั่นหลวงพ่อทงานเสี่ยงเป็นเสียงได้ทาไมจไมไมไ่รักษาสุขภาพ <c oughs> ซึ่งมันบ า, บางครั้งมันมันต้องการที่ฝึกสติระดับสูงะการฝึกสติระดับสูงปัญญาระดับสูงบทีมันต้องทํางานเสี่ยงเป็นเสียงได้นะ มันจำลองไปได้เหตุการณ์บางอย่างเนี่ต้องการพัฒนาแต่มันก็ไม่เสียงเกินไปเพราะฉะนั้นอะไรเสียง เ, ยงเนี่ยนั่งเครื่องนั่งรถไวๆมันเสียงเป็นเสียงตายนั้นเหตุการณ์จำวันโดยเฉพาะโยมผู้หญิงของเราเนี่ยตกใจง่ายอะไรเกิดขึ้นกุ๊บ เ, เลิ alert ตื่นเต้นเราถ้าเราจะไปทําใจต่อ เหตุการณ์เหล่านั้นไม่ทันหรอกทุกวันเราต้องมาทำใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดกับกายกับใจของเราเนี่ยบางครั้งมันหนักบางครั้งมันเบ า, บ า, เ บ, าบางวันร้อนจัดบางครั้งทานอาหารแล้ว เ, เกิดปวดท้องปวดไส้ขึ้นมาเหตุการณ์วิกฤตต่างๆนี่มันเกิดตะลอดเวลาในกายในใจของเราบางครั้งโดยเฉพาะผู้หญิงของเราคื อ, อวัยที่สูงวัยขึ้นไปห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดต่างกายแปรปรวนบ่อย ให้เห็นบ่อยถ้าเราจะได้ถือสถานการณ์ตัวนั้นว่าเป็นตัวเรียนรู้เนี่ยการปฏิบัติธรรมจะไวมากเพราะตัวทุกขเวทนาที่มันเกิดนั่นแหะถ้าเราดูฝึกเฝ้าดูมันทนดูมันไปเรื่อยๆยมันจะเป็นตัวปฏิบัติอย่างดีเป็นตัวเร่งเหมือนปุ๋ยที่มันมีคุณภาพสูงมีความร้อนสูงมันจะทําให้ต้นไม้เติบโตได้ไว นั้นทุกเวทนาทุกจุดที่เกิดในร่างกายเนี่ยมันเป็นตัวเร่งคุณธรรมอย่างดีแต่ว่ามันจะต้องมีตัวดูมันต้องฝึกตัวดูให้ชัดตัวดูตัวนี้มาอยากจะเรียกว่าตัวสมาธิที่สมาสติสมารถที่สัมพันธ์กันถ้าไม่มีสมารถทิก็สมารสติก็เกิดไม่ได้ต้องทําตัวดูนี้ให้แม่นยํามากเลยถ้าตัวดูนี้ไม่แม่นยําเนี่ยมันไปแยก รูปแยกนาวออกจากกันไม่ได้แยกเวทนาก็แยกสติออกากันไม่ได้แยกสุขแยกทุกข์ออกจากกันไม่ได้เพราะนั้นคำว่ารู้รูปนามคือรู้ว่าเรื่องของกายเป็นอย่างนี้นะเรื่องของจิตเป็นอย่างนี้นะเวลาจิตแปลปรนขึ้นมาก็มันหมายความว่าจะไปทําให้กายแปลปรนด้วยเวลากายแปลปรนขึ้นมาก็มันหมายความว่ามันจะไปทําให้จิตแปลปรนด้วย แต่ถ้าสมมุติว่าสมาสติของเราไม่เข้มแข็งเวลากายแปรปรวนขึ้นมามันก็ไปทํำลายจิตเวลาจิตแปรปรวนขึ้นมาก็ไปทรลายกายเพราะเรายังแยกไม่ออกว่าอะไรเ ป, ปน็นระูปเป็นนามนะเพราะฉะนั้นในจุดเนี้มันเป็นจุดสําคัญตรงที่ว่าเราต้องแยกให้เป็นกันเหมือนเราปอกผลไม้บางอันเปลือกกับเนื้อมันติดกัน ฟักแฟงแตงเต้าเปลือกกับเนื้อมันติดกันผลไม้บางอย่างเปลือกก็คือเปลือกเนื้อก็คือเนื้อเช่นอะไรเช่นมะพร้าวมะขามพวกนี้เปลือกก็คือเปลือกเนื้อก็คือเนื้อเดีฟักแฟงแตงเต้าเปลือกก็เป็นเนื้อเนื้อก็เป็นเปลือกเชียนเปลือกออกมาก็ไปกินเนื้อเชียนเนื้อออกมาก็ไปกินเปลือกเหมือนกันถ้าหากว่าเราลูกกำน้ำของคนไหนที่มันเปือนฟักแฟงแตงเต้านี่ มันก็ยากมันติดกันมากเกินไปจะดูรูปไปจะดูเฉพาะรูปมันได้ไปติดใสน่นามจะดูเฉพาะนาเอาไปติดใส่รูปแต่คนไหนมีสติปัญญาดีมันก็มันเปลือกมะขามเปลือกส้มแกะเปลือกแล้วก็คือเป็นเนื้อตัางหาหรือถ้าเปลือกแอปเปิลเปลือกอ ง, งุ่นมันแกะไม่ได้านทีติดกันบางคนอินซีออน ดูแยกกายแยกจิดไม่เป็นให้ดูกาดูความรู้สึกที่เป็นเวทนามันเป็นเราไปหมดอ่ะตรงไหนมันเป็นสติเราจะตั้งดูสติมันก็ไปเห็นแต่เวทนาแยกไม่ออกตรงนี้จะทำอย่างไรอืมจะดูความคิดจะดูความรู้สึกเขาจะจับความรู้สึกความคิดมันเกิดเราไปแยกยังไงความคิดมันก็เข้ามาในความรู้สึกด้วยอะดูเปลือกเป็นเนื้อดูเนื้อเป็นเปลือกแยกกันอย่างไรตรงนี้แหละใช้ความพยายาม ใช้ความพยายามก็คือพยายามสิกสังเกตบอก่อยๆมาที่เขาโยกตัวโยกหาว่าเออั น, นี้ความรู้สึกที่มันไหวนี่เป็นความรู้สึกเป็นเวทนาหรือเปล่าหรือที่มันนั่งบรรนา ม, มันปวดอืปวดหรือนั่งอากาศไม่ดีมันร้อนอะไรมันร้อนใจมันร้อนหรือกายมันร้อนพยายามจะดูแยกความร้อนออกจากกายมันก็ทําให้ใจ ตัวูนี้ต้องใช้ความพยายามหน่อยขอพยายามในที่หมายขอเป้ห ม, มายขอพยายามทําให้เยอะๆนะพยายามสังเกตพยายามสังเกตให้เยอะๆว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นนะถ้ามันไม่ชัดก็ย้ำพลิกเปลี่ยนเคลื่อนไหวปรับรู้อยู่งั้นแหละเพื่อที่จะแยกให้เห็นว่าความรู้สึกรู้ๆนั่นที่เป็นสติมันเป็นอย่างไรความรู้สึกตัวรู้ ๆ, ๆนะั่นและความรู้สึกที่มันเป็นเป็นเวทนา เป็นสุขเวทนาทุกเวทนามันเป็นอย่างไรแต่ถ้าเป็นทุกเวทนาเนี่ยมันอาจจะดูได้ง่ายเพราะมันเห็นอาการชัดแต่สุขเวทนาเนี่ยเห็นยากความรู้สึกตัวกับสุขเวทนาความรู้สึกตัวกับอทุขกข์ับมสุขเวทนายี่งละเอียดลงไปอีกเวทนาหยาบๆดูง่ายเจ็บปวดคันแสบเห็นได้ง่ายแต่พอไปสุขเวทนาที่มันรู้สึกสบายเนี่ยตรงเนี้ยเห็นได้ยากก็ทําให้เราเพลิน ทุขเวทนามันดีมันไม่ทําให้เราเพลินก็ทําให้เรา alert ทาให้เราตื่นตัวทําให้เรารู้จักปรับนู่นปรับนี้แต่พอไปสู่สุขเวทนาแล้วไม่ไม่อยากจะปรับเลยเพราะอะไรเพราะนิสัยของมนุษย์เนี่ยเราก็แสวงหาความสุขอยู่แล้วเพราะมันไปเจอเลยบังเอิญมันไม่ต้องแสวงหามันก็ยินดีเลยเสพมันไปเลยแต่ในแง่ของภาคปฏิบัติมันไม่ใช่ไม่เอาทั้งสุขทั้งทุกข์ทุกข์มีเพราะสุขสุขมีเพราะ สบายมีเพราะไม่สบายไม่สบายมีเพราะสบายกุศลมีเพราะอุศนอุศนอุศลอุศนมีเพราะอุศลมันก็เป็นเหตุเกิดขึ้นของกันและกัน่ะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะเอา อ, ก อ, อ, กอีกตัวหนึ่งเฮมันก็โดดเข้อหาอีกตัวหนึ่งเพราะนั้นทางที่ถูกต้องออกมาัทาั้งสองตัวเลยมันจะต้องไม่มีเหตุสร้างซึงกันและกันอย่ากออกจากบุญก็อยา่าไปจีบบุญ ออกจากบุญก็อย่าไปติดบาปออกมันทั้งบุญทั้งบาปนั้นผู้ที่อยู่เหนือเท่าเชผู้ที่ออกจากทั้งสองแย่เหนือบุญเหนือบาปคําเหล่านี้เราคุ้นอยู่ใช่ไหมไปให้พ้นบุญผลบาปอาจารย์สุพีแกพูดคุณไม่ต้องไปวิ่งไปทำบุญละอะไรที่มันไม่ดีในตัวเองอะอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยน่นเป็นละมันได้มันเป็นบุญแล้วคุณไปวิ่งทำบุญแต่ว่าคุณละนิสัยไม่ดีแต่คุณทำบุญเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสน บุญนั้นก็ไปละบาปไม่ได้แต่ถ้าคุณพยายามละอะไรบางอย่างเขลาละความเห็นแก่ตัวละความขี้เกียจละ ก, การาพูดปดพูดโสเสีดพูดเพ้อเชื่อสิ่งเหล่านี้คุณละสิ่งเหล่านี้ยคุณได้ทำบุญแล้วคุณก็ไม่ต้องพิ่งไปทำบุญอีกอันนั้นในสิ่งนั้นนะคือการที่จะไม่ต้องไปทำบุญแบบนั้นแต่มาทำบุญแบบนี้นะแล้วคุณขี้บ่นพูดมากก็ละความขี้บ่นพูดมากออกไปเป็นบุญแล้ว เราเป็นคนรีบร้อนจับจดก็พยายามละความรีบร้อนลงเพราะฉะนั้นเรามาเจริญสติถ้าเราแยกเข้าใจรูปนามแล้วมันทําบุญเป็นเรื่องนึิมแต่ถ้าหากว่าไม่มาปฏิบัติไม่เข้าใจรูปไม่เข้าใจนามไม่เข้าใจความรู้สึกตัวว่าคืออะไรความรู้สึกกายคืออะไรแยกตรงนี้ไม่ชัดเนี่ยทำบุญเท่าไรเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นผลในการพัฒนาวิปัสนา บุญตัวนั้นมันเป็นบุญทั่วไปบุญแบบโลกียะแต่บุญแบบโลกุณฑลัคือมาละบาสนั่นเองในโอ ว, วาทสามของพระพุทธเจ้าท่านบอกไม่ให้ว่าทำบุญให้เยอะๆทำดีให้เยอะๆท่ า, ทานไม่ได้บอกบอกว่าละบาสให้เยอะๆทำความรู้สึก ต, ตัวให้เยอะๆชำระจิตให้สะอายเยอะๆที่ท่านบอกอย่างนี้นละสัพพะปะประเสรกฐละ ละในสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะอยเยอะๆละไปเรื่อยๆอเคยกินจุก็กินน้อยลงก็นี่ทำบุญแล้วเคยกินอาหารฟาสต์ฟูด้ดอาหารจ้างฟูด้ดอาหารไม่มีคุณภาพาหาันมาอาหารกินอาหารที่มันมีคุณภาพกินน้อยลงแต่มีคุณภาพนี่ก็ทําบุญและ้ะหากินอาหารอร่อยๆกินเยอะๆมันก็เป็นบาปแล้วทําให้ร่างกายนี่หนักเกินไป นี่นร่างกายนี่เป็นโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยการอาหารทานอาหารที่มันมีคุณภาพอาหารที่มันถูกส่วนทานไม่มากร่างกายก็สบายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการทําบุญได้ทำได้เยอะมากเลยแค่ขยับตัวอย่างมีสติก็เป็นบุญแล้วใช่ไหมแต่ขยับตัวที่ไม่มีสติก็เป็นบาปแล้วเนี่ยบุญบาปคือได้ตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นนะเราอยากเอาไม่เป็น เพราะเนื่องจากตัวปัญญาที่มันเกิดจากการสัมมาสติตรเนี้มันยังไม่ชัดแจง้งดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยโดยเฉพาะคนใหม่ <c oughs> ที่ยังแยกรูกนามนยังไม่ชัดแยกรูปแฝงนามนไม่เป็นก็ไปทําสิ่งเหล่าเนี้ทําบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นให้เห็นอยู่ที่บ้านนั่นแหละนะเพราะมันมีอยู่แล้วตลอดเวลาผลไม้มันอาจจะอาศัยการเวลาในการแยกเปือกแยกเนื้อ เนควรจะแยกเป็นเนื้อเป็นเปลือกของมันออกมาได้ใช่เวลาหลายเดือนแต่ว่าเปลือกคือรูปเนื้อคือน้ําเนี่ยที่มันติดกันมันพร้อมก็จะแยกกันแต่ระเวลาเมื่อมีเหตุปัจจัยมันไม่ต้องอาศัยการเวลามันเป็นอาการรีกูแต่สาเหตุปัจจัยที่ถูกต้องถ้าถ้าเหตุปัจจัยไม่ถูกต้องที่มันจะแยกกันบางทีใช้เวลาไม่รููกี่ปีมือยังไม่เข้าใจ แต่ว่าถ้าเหตุปัจจัยมันถูกต้องกําหนดรู้ให้ถูกต้องมันอาจจะโป๊ะเดียวเลยเห็นชัดเลยเอออันนี้รูปอันนี้นามเอออันนี้ความรู้สึกเอออันนี้มันเวทนาเอออันนี้มันความคิดเอออันนี้ความรู้สึกอ่ะมันเห็นชัดตรงนี้ปั๊บพอเห็นชัดตรงนี้ปั๊บเราก็พยายามตามดูมันไปเรื่อยให้มันกว้างขวางจิตใจเดี๋ยวมันเผลอมปุ๊บมันเอาเข้าค่อยกันไปติดกันอีกอย่างเงี้ย เราก็พยายามตั้งสติดูไปเรื่อยๆทุกทางกายจะมีมากขนาดไหนมันก็จะเบียดเบียนใจเราน้อยลงเพราะว่าสติตามไปทันอยู่อย่างยุโรกอเมริกาเนี่ยมันเห็นชัดเรื่องเหล่านี้เวลาหน้าร้อนมาก็ร้อนอจะตายเวลาหน้าหนาวมาันก็หนาวจะตายบ้านเราหนาวร้อนเขาผูอยู่ได้หนาวเขาผอยู่ได้ แต่ไ้ยืยุ่ก น, น, นกิจกรรมได้ร้อนๆก็ร้อนจะตายหนาวก็หนาวจะตายดังนั้นจะทำยังไงให้มันพอดีถ้าตรงกลางเขาก็ใส่อินซูลเลชันเข้าไปเป็นตัวฉนวนเพื่อที่จะเวลามันร้อนก็อยาให้มันทะลุ ข, ข้างในเวลามันหนาวก็อยาให้มันทะลุ ข, ข้างในเพราะมีอินซูเลชันกันอยู่นี่มาเรามานึกถึงการจเจริญสติขึ้นมาเกันมันจะต้องมีสติสองชั้นสติชั้นนอกก็สติชั้นใน ตรงกลางเป็น insulation ในระหว่างตรงกลางมันเป็น insulation เปรียบเสมือนสมาธิอยู่ตรงกลางสติชั้นในเรียกว่าปัญญาสติชั้นนอกก็เรียกว่าสติสามัญญางั้นเราก็เหมือนกันการที่เรามีสติดูปรับข้างในปรับข้างในเป็นปรับตัวใจเป็นอันนี้เป็นสติข้างในจะเรียกว่ากันนอกปัญญาก็ได้ ไอ้ปรับข้างนอกเป็นเรียกว่าสติสมรยยาปรับข้างนอกเป็นเพราะนั้นเราถึงเรียกเครื่องที่เขาไปปรับเราเรีเครื่องปรับอะไรเครื่องปรับอากาศเพราะนั้นตัวสติสมรทิปัญญาณก็คือตัวปรับใจปรับใจปรับรูปปรับนามนั่นเอง ความแปลปวนเหตุการณ์ภายนอกบางครัง้งก็ร้อนชีดบางครัง้งก็อุ่นสบายได้เกินเนี่ยหมายความว่าเหตุการณ์รอบๆเราเนี่ยบางคนกลับไปบ้านร้อนใส่เราเลยถ้าเราไม่มีอินซูลชันจากร้อนข้างนอกทะลุถึงข้างในร้อนต่างๆมันจะมุนร่างกายทะลุถึงจิตนะหรือไปกลับไปบ้านไปเจออารมณ์ที่ดีมากเย็นโอ้ดีใจเชื่อเข้าไปอินกับมันเลย เย็นเกินไปทะลุถึงข้างในอีกเย็นหนาวเย็นจนหนาวเห็นไหเพราะไม่มีเครื่องป้องกันอืมเพราะฉะนั้นเองพ่อเราเจริญสติอย่างนี้มากเข้ามาเข้ามันเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดสัมปชัญญะเกิดญาณขึเพราบ่บันสติตัว น, นั้นแหละมันพัฒนาตัวนไปได้เรื่อยเร่อยท่านจึงตั้งเป็นสติเป็นฐานเจริญสติให้ถูกต้องมันกลายเป็นศีลเจริญสติให้ถูกต้องมันเกิดสัมปชัญญะ เจริญสัมผัสญาถูกต้องเกิดเป็นศีลเจริญสติถูกต้องมันเกิดเป็นสมาธิเจริญสติให้ถูกต้องมันกลายเป็นปัญญาเจริญสติให้ถูกต้องกลายเป็นญาณไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการรักษาสติให้ถูกต้องท่านเอาสติเป็นฐานสติประธานท่านไม่เรียกว่าปัญญาประธานแตสติเป็นฐานแต่ที่เราจะทําสติให้ถูกต้องขึ้นได้เรื่อยอย่างไรเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเอาไปทำ สถิตที่ถูกต้องท่านก็ว่าไว้สีประการนั่นเองดูกายข้างนอกข้างในกายเยีกายานรือกายสีให้ดูสองชั้นอะดูเวทนาก็ดูเวทนาสองชั้นเวทนาทางกายเวทนาทงจิตดูจิตก็จิตสองชั้นจิตที่มันคิดอยู่ข้างในก็จิตที่มันพุ่งไปข้างนอกดูอารมณ์ก็อารมณ์สองชั้นอารมณ์ที่มันกําลังคู่กุลอยู่ข้างในก็อารมณ์ที่มันไปรับมาจากข้างนอกให้รู้เท่าทัน สมารสติถ้าว่าดูข้างใดข้างหนึ่งมันเป็นสติชั้นเดียวสติชั้นนอกนเป็นสติสัญชาตญาณสติข้างในเป็นสติปัญญาญาณให้มีสติสองชั้นเหมือนกับว่าอินซูลเลชัฝามันมีสองชั้นหลังคาก็สองชั้นเลยนะบนเผยสามชั้นเลยหลังคาชั้นล่างเป็นไม้ชั้นบนว็จะเป็นพวก หลังคาอยู่นะ น, นั้นมันก็เป็นอุปมาให้เห็นการเจริญสติมันก็จะต้องใช้สภาวะธรรมสองชั้นนี้เหมือนกันดูกายมีสติเห็นกายในกายเอ๋อกายในกายกายในกายนอกด้วยหรือดูมีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งหลายอยู่ มีเจติพิจารณาเห็นธรรมเห็นธรรมทั้งหลายอยู่ทำข้างในทำข้างนอกเป็นอย่ก็คืออย่างนี้แหละมันก็จะง่ายทีเนี้ยพอปฏิบัติเข้าใจเี้มันก็ไปมาเรื่อยเรื่อยอ่ามันจะไปทําลายกิเลสตัวไหนเมื่อไหร่ก็ปเป็นเรื่องของมันละทีเนี้ยเรื่องของเราก็คือถือบางเหียนตรงนี้ให้ดีบางเหียนคือสติเนี่ยให้ดีให้มันตรงเหมือนกันเถอะตรงกายตรงใจ เหตุการณ์ข้างนอกเราไม่สามารถที่ไปบังคับเปลี่ยนแปลงให้เป็นไ ป, น ป, น ป, นปนอย่างใจเราไม่ได้แต่เราจะต้องมีตัวกันตัวกัน้นตัวกรองที่ไม่ให้มันทะลุเข้าไปข้างหนแบบดื้อๆทื่อๆนะอากาศมันร้อนจัดไม่ให้มันทะลุเข้าไปทางไหนล้วนๆก็ต้องมีตัวกรองอากาศในสิ่งใ น, นอากาศที่มันขังอยู่ข้างในก็ต้องดูดออกไปเพราะระบบอะ หลายเวียนอ่าเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถกําหนดอันนี้จังไม่สามารถจะบงังคับมันได้ทุกขังที่มันมีคุณภาพเย็นจัดล้อมจัดอนัตตาจะควบคุมจํากัดเนื้อที่มันอยู่กับที่มันไม่ได้มันต้องไหลลื่นไปตามกฎของมันคนเป็นรูปนะแต่เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องปรับพรลังชีวิตนี้อยู่ได้อันนี้คือ คุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์มันีตรงนี้มันรู้จักปรับแต่สัตว์อื่นมันไม่รู้รจักความหมายของว่ า, มมาสัตว์อื่นของพมันหมายถึงสัตว์เดริชานหะมายถึงสัตว์คนนี่แหละที่จิตมันเป็ น, นเป็นอ า, ายภูมหรือจิตมันเป็นสุขตีภูมมันังมาปรับพอดีอย่างนี้ไม่ได้สัตสัตโลกก็คือคนที่โหดร้ายใจร้าย ใจดำอมะมะหิตนเะพราซีเป็นคน<ม>แต่ว่าจิตเป็นสันรกนะบางคนเป็นขี้โรคขี้ตักมักได้<ม>เห็นแก่ได้เห็นแก่หาไม่ดูจับพออยากไม่ดูจับพอตรงนี้เป็นสัตว์แต่เขาเรียกเปรตคนเปรตนะมนุษย์สเปโต<ม><ม>บางคนก็เป็นคนที่ถืออำนาจถือกฎหมายถืออานาจเพื่อที่จะ บางเบียผล ป, ประโยชน์ของส่วนรวมาเป็นของตัวเองพวกนี้ก็เป็นสัตว์เขาเรียกสัตว์อสูรอสุรกายในะชย้บังคับอำานาจของตัวเองที่มีอำนาจกำลังทรัพย์กำลังปัญญาใชา้กฎหมายเป็นเครื่องมือพวกนี้เ็าเรียกพวกอสูรก็มีกำลังกันแล้วก็สัตว์อีกประเภทหนึ่งคนที่ มานะทิฏฐิอดดูถือดีลั่นไม่ฟังใครเอาแต่ใจตัวเองรานนี้ก็เป็นสัตว์ประเภทเดลิชานเดลิชานโนแต่บางคนเป็นคนมีศีลมีธรรมมีเหตุมีผลแต่ก็ยังมีทุกข์อยู่ต่เป็นคนดีแต่มีทุกข์นี่คนเรกมนุษย์เป็นคนดีแต่มีทุกข์ในบางคนนอกจากมีเป็นคนดีมีศีลมีธรรมแล้วก็ยังรู้จักอาย อายโช่บาบถ้าเป็นมนุษย์มีเหตุมีผลคือมีสินมีธรรมคนมนุษย์สภูโตแต่คนมีฮิริอุตปะนอกจะเป็นคนดีมีสินธรรมแล้วก็ยังเป็นคนมีฮิริอุตปะอายโช่โกบาไม่กล้าละเมิดกฎดไม้สินธรรมไม่มีความเกรงใจมีความเคารพมีความให้เกียรติเพื่อนอยู่เป็นยิสัยก็เลยเป็นมนุษย์สเทวูเป็นมุเทวดาบางคนเป็นคนมี นอกจากรักษาศีลรักษาธรรมแล้วทาสมาธิอยู่เป็นประจำนะทำจิตให้สงบเป็นคนเย็นเห็นแล้วสบาย เ, าเลือกเป็นมนุษย์โรมานูเป็นมนุษย์จะเป็นพรหมจิตเป็นพรหมนะบางค น, นจะเป็นมีศีลมีธรรมมี <c oughs> ทำความดีมาตลอดช่ยเหลือเฟือ่องฟายเอาใจใส่ พราบครทำตัวดีมาตลอดแต่ก็ยังทุกข์อยู่แต่ก็อยากมาทำวิปัสนาทำอย่างนี้สรามาเจริญสติมาเจริญสมาธิปัญญาจนรู้เห็นจิตของตัวเองนะจนสามารถแยกออกได้ว่านี่สุขนี้ทุกข์เอาสุขทุกข์ออกไปทำใจให้รู้เป็นผู้รู้คนนี้เป็นมนุษย์สัตร์ อยู่เป็นมนุษย์ที่เป็นอริยะเป็นชั้นเปชั้นหรือไปสู้ดาสินคาณาค า, า, คาแล้วแต่ว่าทําใจได้แค่ไหนปล่อยวางได้แค่ไหนปล่อยวางได้สูงสุดไม่ติดขัดอะไรเลยก็หมดทุกกันไปมนุษย์มีไม่หลายชั้นเราจึงเลือกคนเหล่านี้ว่าคนนะคนคือมายังปนกันอยู่ตั้งแต่สุขติภพสีทุกติภพสีเป็นแปด คนวันไปคนมาวันนึงก็มีบางคนมีหลายอย่างเป็นคนดีบางคนก็โกรธโมโหฉุนเฉียวอเป็นเทวดาดีๆตกไปเป็นสนนรกนี้เป็นต้นป็นคนใจเย็นอยู่ดีบางคนมีเหตุการณ์วิกฤตขึ้นมาทําใจไม่ได้เป็นพระพมอยู่อ่ะไปตกเป็นสนนรกเฉยเลยอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปเป็นมาอยู่เนี้ยเพราะมืนยังไม่คงที่พอเรามาเจริญสติมากเข้ามาเขาเลือกเป็น นี่คือข้อดีของคนที่มาศึกษาเลือกเป็นเลือกที่จะเป็นเปลดก็ได้นะบางวันเลือกที่จะเป็นเซตนะลูกก็ได้บางครั้งบางครั้งเราจะต้องใช้อำนาจในการบังคับข่ mm hmm. มขู่มันต้องใช้เช่นเรามีครอบครัวสามีเราเป็นคนไม่ค่อยซื่อชอบแอบก็มินไปใช้ชอบไปเล่นการพ น, นันชอบไปนอกใจอย่างนี้ นี่เรปฏิบัติกรรมาฐานเราก็หวานอมขงกลืนจะไปทําอะไรก็ไม่ดีกับเขากลัวเป็นเป็นบากกลวงเขาว่าคุณเราเป็นคนไม่ดีหรือบางทีสามีดีดินภรรยาชอบไปเล่นไพ่ยบยังมุกนองใจเราจะพูดดีๆก็ไม่รู้เรื่องทําตรงนี้มันก็ต้องใช้อํานาจบังคับกันบ้างตอนนี้เราจะำจำฝึกตัวเองให้เป็นสันุกบ้างต้องใช้อํานาจนะ คงแสดงให้เป็น น, นี่ยนี่เขาเรียกว่าใช้เป็นคุณจะใช้อะไรก็ได้ถ้าคุณเป็นอริยะคุณจะใช้เปลตให้เป็นเครื่องมือในการทํา ง, งานใช้เดชานใช้นรกใช้สุรกายใช้เทวดาใช้อินใช้พรมได้หมดเลยใช้เป็นสิ่งนีเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาคุณจะไปแก้ปัญหาพวกโจรอย่าเงี้ยคุณจะเป็นตำรวจที่ดีเข้าไปหาเด็โจรไม่ยิงได้ คุณก็ต้องทําตัวเป็นโจลไปโดยมัถึงแล้วก็ได้อย่างนี้เป็นโจลถ้าหากว่าเราจะไปแก้ปัญหาคนที่มันพูดไม่รู้เรื่องอ่ะวัดดื้อดือดีเถียงหัวหม อ, มอเงี้ยคุณไปพูดกับนันดีนไม่ฟังคุณก็ต้องใช้หัวหมอขอ ง, ง, ขงเขาดิบางครั้งเขยอมเป็นสัตว์เพือแก้ความเป็นสัตว์เขาได้สิ่งเหล่าเนี้เมื่อจิตของเราเข้าสู่ภาวะที่เป็น โลคุตละปัญญาเท่านั้นเราถึงจะใช้มันปลอดภัยถ้าเราไม่มีโลคุตระปัญญาเข้าไปเราก็ใช้ความเป็นทุกขติภูมิเข้าไปแก้ไขปัญหาเราก็พอตกลุกกัเขาไปก่อนเราค่อยขึ้นมาทีหลังแต่ถ้าสมมติว่าจิตของเราไปสูวเรียภูมิสู่แยกจิตแยกรูปแยกนามเห็นชัดแยกแล้วเนี่ยรู้จักใช้อํานาจเหล่านั้นได้ น, น, นั่นก็เป็นหน้าที่ของการอยู่ท้างโลกมันจะเป็นต้องใช้ เรื่องเหล่านี้เข้าใจยากหน่อยแต่ว่าเพื่อให้เห็นว่าการปฏิบัตินี้มันมีคุณที่จะต้องไปทำบางครั้งสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องใช้มอนกันตัวอย่างง่ายๆในครัวของเราเนะี่ยมันมีทั้งพริกเกลือเกลือปลาราถ้าคุณไปกินแต่พริกคุณกินไม่ได้คุณกินแต่เกลืออย่างเดียวกินไม่ได้คุณกินปลาร้าอย่างเดียวคุณกินขิงข่าตะไคร้เป็นอาหารได้ไ้ย ไม่ได้ก็ต้องนำวัตถุอินกีเดิเอนเหล่านั้นมาปรุงมาบาลานให้มันพอดีพริกก็อร่อยเกลือก็อร่อยขิ้นขาดง้ายใครก็อร่อยเหมือนกันไอความเป็นพ่อเป็นชาติในจิตของเรามันก็เหมือนเครื่องแกงในครัวเนะี่ยถ้าคุณบาลานมันเป็นชีวิตนี้ก็อร่อยชีวิตที่กลมกลืนสอดคล้องมีความสุขเพราะเราใช้สัดส่วนของสิ่งที่เป็น ไม่ดีทั้งหลายมันสมผสานเป็นสิ่งที่ดีเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้ใช่ไหมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ดีมากหรอกมันจริงมากขนาดนี้หลวงพ่อไม่ได้ตั้งใจพูดดีไวิธีแต่มันจริงเป็นอย่างนั้นนะแต่ที่เราจะค่อยคเข้าใจความจริงเหล่านี้ในบ้านของเราเนี่ยเก้าคนสิบคนแต่ละคนบางคนเป็นเปรตบางคนเป็นสัวบางคนดีชั้นบางคนอสุรกายบางคนเทวดามีคนเป็นอิมพิวสมคนเป็นพระอริยะ แต่คนที่เป็นอริยะในครอบครัวนั้นจะได้เปรียบเพ้นเพราะมันรู้จักใช้คนคืออันนี้นิสัยอังนี้ต้องเอาอย่างนี้ให้มันวรานิสัยอย่างนั้นต้องเอาอย่างนี้นต้องใช้มันอย่างนี้นใช้อุบายเป็นเขาเรียกว่ากุศลเขาว่ากุศลนี่แปลว่าอุบายในการใช้สิ่งที่ไม่ดีให้มันดีสิ่งที่มันดีแล้วให้มันดีขึ้นไปอีกและกุศลไม่เรียกว่าบุญอ่บุญนี่มันมันเป็นเหตุให้เกิดกุศลเท่านั้นเอง แต่บุญบางอย่างไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดกุศลบุญบางอย่างเป็นบุญที่ไม่ถูกบุญมิชาทิฏฐิบุญทำบุญเนี่ยใกล้ใบ้านงพอ่อกำลังจัดงานบวชงานปลอยทั้งเนือนี่โอ้โหจะจัดงานบวชทีจัดงานทั้งเจ็ดแปดวันเอาโยมหายไปไหนไม่เห็นว่าทํางานอ๋อไปช่วยงานบุญแล้วทั้งหลายวันหลวพ่อจะไปงานบุญกูจะทํามาหากินอะไรเนะี่ยเห็นไนะกูจะบวชได้บวชเป็นแสนสองแสน รูปให้หลวงพ่อบทหมดเงินแค่แปดรอยบาทเท่านั้นนะไปซื้อผ้าใยก็อยู่มาได้หลายสิบปีออันนั้นบทไม่ถึงเดือนหมดเงินไป่ตั้หลายแสนนี่ก็เรียกว่าบุญมิจฉาธิฏฐิอินเล่นสนุกกันเสียหายในบุญแบบนั้นนะแต่ทํากุศลก็อย่างที่ว่านะี่คือละในสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองก็เป็นกุศลทํากุศลทําได้ตลอดเวลาแต่ทําบุญทําได้บางเวลาทํากุศลทําได้ตลอดเวลาเข้าใจไหม ทำผู้สูญไปเลยยังยังไม่น่าจะปฏิบัติบ่อยๆหน่อยมาหลายๆครั้งเดี๋ยวเข้าใจแตถ้ายังเข้าใจเรื่องนี้เมื่อได้คุณต้องมาหลายๆครั้งจนจะเข้าใจแต่เข้าใจเรื่องนี้แล้วคุณไม่ต้องมาอีกสักครั้งเดียก็ได้คุณใช้ได้ตลอดเข้าใจไหม <c oughs> สิ่งที่หลวงพ่อพูดไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องสนุกหรือไม่ใช่เรื่องตลกจะเป็นเรื่องจริงแต่เป็นจริงที่น่าเศร้ามากไอ้ท <c oughs> จริงที่น่าเศร้าดีล้วเข้าใจมันไม่ได้กุศลทำได้ตละเวลาเพียงแต่คุณมีสติสัมปชัญญะในการพูดการทำการคิดแค่นั้นแหละกุศลเกิดแล้ะแต่บุญคุณต้องไปคิดหาซี้ข้าวซืวของหาเงินหาทองมาทาอนุนัน น, นี้ตเตรียมต้องจัดก็ไม่ว่ากันถ้าบุญนั้นเป็นสมาธิมันก็ให้เกิดกุศลได้มหมายคาว่าเราจะ ไปพบพระตระยานมิตรได้ก็เพราะบุญนี่แหละพาเราไปถ้าไม่มีบุญเราไปไม่ได้อีกเขาจะไปทําบุญหน่อยไปหาพระอาจารย์องค์นั้นองค์นี้หน่อยพระอาจารย์ที่เราไปหาสิบองค์จะต้องมีสักองค์นะที่พูดเราให้เข้าใจเกิดุให้เราเกิดกุศลถ้าคุณโชคดีหน่อยในสิบองค์อาจจะเจอหลายองค์ที่พูดให้เราเกิดกุศลแค่นั้นนะนั่นคือบุญที่เป็นสัมมาทิฏฐิมันทำให้เกิดกุศลได้ง่ายแต่ในไปหาสิบองค์นี่ไม่มีใครทําให้เราเกิดกุศลได้จิตเลยนี บุญที่ไปทําเป็นบุญวิชาที่ถีแท้งนั้นเลยเพราะไม่ทําให้เกิดกุศลในจิตเพราะฉะนั้นเวลาโบราณเขาบอกทําบุญให้เลือกวัดตรักบาดให้เลือกพระก็แบบนี้เองอไปวัดตั้งหลายวัดมันเกิดแต่บุญแต่ไม่เกิดกุศลคือได้ดีใจเป็นพักๆเดี๋ยวพอมีเรื่องเกิดขึ้นในใจก็ทุกข์เหมือนเดิมเลยบุญหมดแล้วแต่ถ้าเกิดกุศลไปไงก็ไปทําบุญครั้งหนึ่งได้ได้รับ การได้ยินได้ฟังนั้นเราการฝึกปฏิบัติกลับมาเกิดปัญหาวิกฤตขึ้นในใจทําใจได้ปล่อยได้วางได้อดได้ทนได้ค่อยแก้ปัญหาเข้าไปเรื่อยๆและปัญหาก็ค่อยหมดไปนั่นแต่างหาเป็นบุญที่เป็นกุศลนะนั่นะนะ่ะเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจยากแต่บางครั้งเราคิดไม่ถึงการได้ยินได้ฟังเราน้อยไปเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการ พูดถึงเรื่องนี้หลวงพ่อจะเทพเอาไว้เพื่อที่จะให้คนบางคนที่มีเวลามาวัดบ่อยๆไปฟังบ่อยๆเดี๋ยวเข้าใจฟังแล้วจะเข้าใจแล้วมันจะดีขึ้นเสียไม่ใช่ฟังแล้วลองทําดูอันไหนที่เราทําไม่ได้ลองทำดูอันไหนที่ทําได้แล้วก็ทําบ่อยๆอันไหนที่ยังทําไม่ได้ลองทําดูลองดูก่อนเผื่อว่ามันทําได้เวลาหลวงพ่อทํางานบางอย่างมันเกินกําลังลใช่ไหม แ ง, งัดหินคนนี้ไปทางโน้นเนะ่ยเพราะมันเกินกำลังผตหลวงพ่อก็ลองงัดมาอยู่ยงนันแหละลองไปลองมาเทวดาก็เห็นใจเทวดาเขามาช่วยเทวดาคือคนที่ก็อยู่ไกลๆเขามองแล้วสงสารนะเขามาช่วยเราคือเทวดานั้นความหมายของผีสังเทวดาหลวงพ่อก็คือหมายความว่าคุณธรรมดีคุณธรรมไม่ดีที่อยู่ในคนนั่นแหละถ้าคนไหนพูด เ, เรื่องผีสังเทวดาที่มิติข้างนอกนะี่ยยังไม่เป็นสมาธิถี่นะเนะี่ย สมาธิที่ต้องเห็นผีสางเทวดาอยู่ในคนเพ่อจะเห็นผีสางเทวดาอยู่นอกคนนะถ้าผีสางเทวดาอยู่นอกคนไม่ใช่ละแต่มันมีนะแต่มันช่วยเราเราไม่ได้เอาอย่างี้กันพอจะเปรียบใหเห็นง่ายๆเข้าเปลือกเนี่ยกินได้ไหมโยมกินไม่ได้ใช่ไหมแต่ทําไมเก็บครกเหลือไว้อะ เอมะพร้าวเนี่ยเอาลงต้นมาถ้าเอาเปลือกมันทิ้งไปไงให้มันเหลือแต่ข้างในปลูกไปขึ้นแล้วก็มันก็เน่าด้วยใช่ไหมแต่ถ้าปล่อยเปลือกมันหุ้งไว้อย่างนั้นคุณจะกินเมื่อไหร่คุณก็มาบอกใช่ไหมเปลือกมก็รักษาเนื้อได้วิสังวิติข้างนอกก็เหมือนเปลือกนั่นแหละมันมีนะแต่ว่าเวลาจะใช้มันต้องเอาทิ้งเดี๋ยวว่าพิธีการหลวงพ่อปฏิเสธ ผีสางเทวดาไม่ใช่แต่ว่ามันไม่จําเป็นต้องพูดถึงอะเหมือนข้าเปลือกเวลาจะกนินต้องเอาไปสีทิ้งใช่ไหมแกบนะแต่พอจะกินจริงๆคือข้าวข้าสารก็กินไม่ได้อีกต้องไปเรื่องอีกดังนั้นเวลาเรามีน้อยอย่าไปสูงเฉพาะมีสางเทวดาในตัวคนถ้าเราช้าให้เป็นแล้วมันก็มากมายนะเพราะนั้นจะไปเสียเวลากับผีเสียสงางเทวดาจะเข้าส่งอะไรข้างนอกไ่สูงใจมันเสียเวลา เวลาเรามีน้อยไปเสียเวลาพูดถึงมันแต่สิ่งความเป็นผีสิงผีสังเทวดาอินพมุมยมยักษ์ที่ในตัวเราเต้องมาสนใจตรงนี้เพราะตัวนี้มันใช้ได้ก็เป็นข้อสารเข้าสูขแล้วเวลาเรามีน้อยอย่างคนที่มันยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้มันจะค่อยเขวะถ้าพูดถึงนิดนึงบ่อยบ่อพระพุทธเจ้านั่ก็ยอมรับว่ามีแต่ว่ามันไม่จําเป็น เป็นเรื่องเฉพาะรู้ตัวใครตัวมันเรื่องนี้ต้องรู้ด้วยปัญญาของตัวเองแล้วจะไปบอกผีมีจริงผ e ีไม่มีคนอื่นเขายังไม่เกิดปัญญาเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวเขาเข้าใจผิดนะให้เขาเกิดปัญญารู้เอาเองว่าผ e สีสางเทวดาข้างนอกเป็นอย่างไรผ e สีสางเทวดาข้างในเป็นอย่างไรให้เขาเกิดปัญญารู้เอาเองแต่ถ้าเขาปัญญาไม่เกิดปัญญาเราไปบอกให้เนี่ยอาจจะผิดได้เพราะเขาจะนึกผ e สีสางเทวดาในอีกมิติหนึ่งไม่ใช่มิติที่นี่เป็น วิปั ส, สนานะแต่พีสังเทวดาที่เป็นมิติวิปั ส, สนาเนี่ยพูดให้ฟังได้อย่างเมื่อกี้บางครั้งเราเป็นพระอริยเจ้าแต่บางครั้งเราก็ต้องแสดงความเป็นเปรตบ้างถ้าไม่เตือนเรือเป็นเปรตกับมันแก้ไขปัญหามันไม่ได้เราจะแก้ปัญหาเปรตเราก็ต้องแสดงความเป็นเปรตให้เป็นเราจะแก้ปัญหาของคนที่เป็นโหดร้ายใจร้าย อารมณเสียง่ายเนียจะแก้ปัญหาเขาเราก็ยังต้อไปเป็ี่ยนสนรุกกับเขาก่อนมัแก้ปัญหาก็ได้อย่างนี้เป็นจนลเหมือนตำรวจบางครั้งก็ทําตัวเป็นจุนเป็นตำรวจสันติบาลนอกเครื่องแบบมันก็ทําตัวเป็นจุนไม่งั้นจับจุลไม่ได้ใช่ไหมคุณถือทือๆใส่เครื่องแบบเข้าไปยจุนยิงได้แต่ถ้าคุณใส่เครื่องแบบจุลเมื่อกันไปไปชิดกอดคอมันมันยังไม่รู้ว่ามันเป็นตำรวจใช่ไหมมันก็จับจุลได้ แล้วคุณต้องทําตัวเป็นสันนโรกกับมันไปด้วยเมื่อจับมันไม่ได้เข้าใจได้นะอืเรื่องเหล่านี้ในแง่ของรูปธรรมเข้าใจได้ไม่ยากแต่เนื่องจากพ่เรายังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเราถึงแยกอะไรไม่ออกมันชัดอย่างแยกอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ไม่เห็นว่ามันเป็นใช้ให้มันเป็นสิ่งอันเดียวกันได้เหมือนกับแม่ครัวที่ทําครัวไม่เป็นะพี่เขือเกลือเวลาเต็มครัวเลยทําอาหารไม่ได้อาหารทุกอย่าง วัตถุดิบเรีกครัวเต็มไปหมดจะทำอาหารไม่เป็นแต่บางคนจับนุ่นใสนี่เป็นอาหารอร่อยขึ้นมาไม่ครัวที่ชานาญแล้วนี่จับอะไรเป็นอาหารหมดแต่ไม่ครัวที่ไม่ชานาญต่อให้มีเครื่องแกงเครื่องปรุงเต็มครัวก็ทําแล้วไม่เป็นผู้ที่ยังไม่ได้โดนใจให้ทําก็เหมือนคนที่ยังหมัอาหารยังไม่เป็นใช้เครื่องแกงวัตถุในครอบในครัวนั้นเป็นอาหารยังไม่ได้พร้อมยังปรุงไม่เป็น แต่ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมคือผู้มีเหมือนกับแม่คนที่มีประสบการณ์แล้วจับอะไรเป็นอาหารหมดเห็นภาพไหมไม่ซับซ้อนเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือจะต้องไปปฏิบัติให้ดวงตาธรรมของเราเนี่ยสว่างขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสบายมีความสุขเสียดายคนที่ตายไปไม่ได้มาปฏิบัติน ม, มันจะคิดถึงหนึ่งเสียดายคนนั้นมันมาไม่ได้ เออเสียดายคนทําดีทำบุญดีนะเดี๋ยวชวนมาปฏิบัติไม่มาเสียดายพวกนี้พวกนี้เป็นเทวดาเป็นอินเป็นมงที่เป็นมิจฉาทิถีอยู่ต้องมาดึงมาปฏิบัติเปลี่ยนทิถีเขาจากวิจฉยทิถีให้เป็นสมาทิถีได้อันนี้คือบุญของพวกเราที่จะไปช่วยกันคนที่พอจะเป็นมีความอ่อนโยนมีศรัทธาในทางที่ถูกมันก็ดึงมาปฏิบัติลองดูคือเขายังไม่มาก็เอาวิธีเอาที่เราปฏิบัติดองให้เขาทําดูที่บ้านก็ได้แล้ววันหนึ่งเขาเกิด มีบุญมากขึ้นเ็าอาจจะมาได้ก็ได้ใช่ั้ยนั้นช่งชวงเช้านี้หลวงพ่อก็เลยว่าไม่ต้องไปรายงานอะไรที่เหลือไม่ต้องเสียใจเวลาไม่พอนะฟังได้คนพูดวันก็ได้เรื่องหลวงพ่อเพื่อทีสรุปให้เห็นเพราะเวลาเรามีน้อยเดี๋ยวก็ไปแล้วก็มีโอกาสที่จะมาได้ยินได้ฟังศึกษาเรื่องนี้ เพนการได้เห็นคนหลวงพ่อเห็นเป็นพุทธภาษิตของทิเบตว่าฟังเสียงทุกเสียงเป็นเสียงสวดมนต์ดูคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนิพพานที่นั่นภาษิตของทิเบตฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงสวดมนต์ ถ้าฟังเสียงทุกเสียงเหมือเสียงเสื่อมูลจะทําเสียงจะทำให้เสียงหล่านั้นจะทําให้เราบีดลาคานไหมเพราะหมดฟังเสียงนกก็เพราะฟังเสียงคนด่าก็เพราะฟังเสียงคนบ่นก็เพราะในสําหรับคนมีสัมมาสติจะฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงเสื่อมูลแต่ถ้าหากว่าคนที่ยังไม่ได้สัมมาสติฟังเสียงบ่นก็ยังเป็นเสียงบุญฟังเสียงด่าก็ยังเป็นเสียงด่าฟังเสียงฉมนก็อยู่เป็นเสียงฉุใช่ไหมมันยังแยกอยู่อะ มันได้ไม่ได้ฟังเสียงเสร็จแต่ว่าเสียงเสียงดุนเสียงบนเสียงดาเสียงชมเสียง ส, น, ส, น, สนิทสนก็คือเสียงแยกออกแต่คนเจริญสติที่เป็นสมารสติแยกรูปแยกนามออกได้มันจะแยกเสียงออกได้ว่าเสียงก็คือเสียงไอท้ที่มันทําให้เกิดเพราะไม่เพราะมันอันนั้นไม่ใช่เสียงเข้าใจไหมน้ําก็คือน้ำศาสศาสตร์แต่น้ําที่เป็นน้ํา เพปซี่โค้กราคาเฟน้ำแกงน้ำส้มน้ำเปรี้ยวอันนั้นไม่ใช่น้ำคือสิ่งเี่อับปนในน้ำใช่ไหมแต่น้ำแยกออกมาจริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นใสสะอาดบริสุทธิ์รูปจริงๆน้ำจริงๆแล้วมันก็คือน้ำล้วนๆแต่เมื่อได้รูปกับน้ำมากระทบกันที่ข่ายสติมันก็ปลุงระหว่างรูปกับน้ำเป็นอะไรเป็นน้ำมาลูบนำลูกก่ให้เกิดเปลิดสุรกายนรก เดาอินุมอริยะปรุงไปเรื่อยๆแล้วแต่จะปรุงไปถึงขั้นประหันมันถึงจะได้กะเป็นน้ำแยกน้าออกมาเป็นน้ำบริสุทธิ์นะเพราะจิตกับกายกายกับใจพอไม่ปรุงกันแล้วเนี่ยพระโสดาบันแยกได้ 25% าเซนตน้ำสะอาดออกมายแต่อีก 75% สิบปรนกหลอยู่คุณคุณน้อยๆน่อยพระศิการาคามีแยกน้ำใสห้า ได้ 50% แยกน้ำขุนออก 50% จางเข้าไปอีกเพราะอนาคารมีแยกน้ำสะอาดออกมาได้ 80% น้ำไม่สะอาดแค่ 25% ก็ยังเกือบจะใสพระลหันขุนไปขุนใสไปใสคุนละแก้วกันไม่ให้มันปนกันของเราก็ยังปนปนกันบ้างนะก็ยังดีที่ใสนะแต่มันไม่สะอาดต้องมากรองอีก เราจะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเหลือวิสัยที่เราจะทำแต่เป็นความพยายามที่จะทำใช้ความแจ็บคายใช้ปัญญาทำบุญให้เป็นทำบาปให้เป็นบาปถ้าทำให้เป็นเผาเราใช่ไหบาปถ้าทำเป็นกลายเป็นปัญญาไฟเนี่ยโอ้โหน้าปลัวเนี่ยเขาบดึกมาอันตรายใช่ไหแต่ต้องไม่เป็นทำให้ไปตายถ้าแตะต้องมันเป็นทำให้แสงสว่างทางานได้ตลเวลา ปลอดภัยเห็นไหมสิ่งเดียวกันทําให้เราตายได้แทำให้เร า, าเป็นก็ได้อาหารในครัวทําอาหารไม่เป็นอาหารกาเป็นพิดได้แต่พอทําอาหารเป็นทําให้อาหารมันทำใหสุขภาพดีได้อยู่ที่ว่าทําเป็นหรือไม่เป็นธรรมะก็เหมือนกันธรรมะถ้าเราใช้เป็นเือนตัวที่ทําให้เราปลอดภัยไปมากผลที่ผานได้แต่ใช้ไม่เป็นธรรมะทาให้ตุกนรกได้ ทำอะไรที่จะทำให้ตนนกนรกเปรตสุกแกเขาเรียกว่าอาธรรมทำอะไรที่ทําให้เราสุขสบายขึ้นนี่กว่าธรรมทําเหมือ น, นกันเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้เราพยายามศึกษาจากตัวนี้แหละจากการง่ายๆนี่คือวิธีการหลวงวเทียนทําให้เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเรื่องลึกให้เป็นเรื่องตื้นมาถึงบอกถ้าใครมาพบวิธีการหลวงวเทียนได้เอาทูกนะโชคดีมหาศาลเลย เานัเลยถึงทวีตหรือถึงปฏิบัติต่อบคุคคลที่มาหาเรานี่อย่างดีเลยแล้วคุณจะเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าคนก็จะเดินทางมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะก็จึงอยากจะให้เราได้ประคับประคองอย่างนั ก, นกบวชของเราเีที่เป็นสมาทิฐิไม่ต้องไปวิ่งไปทำบุญที่ไหนละแค่รับละในสิ่งไม่ดีก็เป็นบุญมหาศาลได้ัไแล้วคนที่เข้าใจวิปัสสนาแล้วทาบุญก็ได้บุญเยอะ บาปนี่ก็ใช้เป็นอย่างที่ว่ามาเมืเ่อกี้ถ้าลูกคนดื้อ ม, มันซนไปติดยาไปก่อคดีเนี่ยเราจะมาใจดีกับลูกลูกขาลูกแะลูกจ่าได้ไหมไม่ได้มันก็ยิ่งเลี้ยวไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ตีตีพอเคียนก็เคียนพอเอาไปขังคุกก็ต้องเอาไปต้องใช้บทสันนิกกับมันมันถึงจะเอาไว้อยู่แต่เราใช้บทเทวดาไม่ได้ทุกวันนีพ่อแม่เป็นเทวดา อะไรก็ลูกดีหมดถ้อลูกเสียขนเอาลูกขึ้นไม่ได้เดี๋ยวร้อนไข่เดี๋ยร้อนพระมาทิ้งให้พระเพราะพระฝึกดีขึ้นมาในเอาไปใช้เอาไปใช้ เ, ชเสียแล้วก็มาทิ้งให้พระอีกพระส่วนใหญ่ก็ทํางานในระดับนั้นพระมาสอนนิพพานหาก็น้อยลงเพราะไปทํางานในระดับนั้ น, น, นมันก็เลยหนักนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ให้เป็นใช้เอาบุญให้เป็นใช้บาปให้เป็น อ, อย่างที่หลวงพ่อยกเวมาเครื่องแกงเนี่ยควใช้มันให้เป็นเป็นอาหารดีถ้าใช้มันเป็นเป็นพิษบุญกุศลก็เช่นเดียวกันใช้ให้เป็นการจะใช้บุญกุศลเป็นก็ต้องใช้ตัวเองให้เป็นเริ่มต้นด้วว่าลุกอย่างไรถ้าลุกไปแล้วไม่ได้สติใช้ตัวเองให้เป็นลูกไปแล้วได้สติใช้ตัวเองเป็นนั่นนะมันปวดแข่งปวดขาปวดหน้าปวดหลังขึ้นมา ใช้อย่างไงให้เป็นกําหนดรู้ตามรู้กาสเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันปัญญาเกิดแล้วปวดไม่สบายพลิกไปปั๊บปัอย่่นี่มุดกิดหอนโหยไม่สบายดินน้นหล่นใช้มันไม่เป็นเป็นบาปขึ้นมาเลยเห็นไหมอาการอันเดียวกันอาการไม่สบายอันเดียวกันพร้อมที่จะให้เกิดบุญก็ได้เกิดบาปก็ได้พร้อมให้เกิดปัญญาก็ได้เกิดกิเลส ก, ก็ได้ตัวแปรมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่สมัมมาสติ มันเน้นสมาสติสติให้ถูกต้องไงนะเพราะสติถูกต้องแล้วเนี่มันแปลสภาพอกุศลธรรมทั้งหลายได้หมดเลยเป็นกุศลธรรมนะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนที่ที่ที่นี่มาเอาความเข้าใจเหล่านั้นนะแต่สนามปฏิบัติจริงๆเนี่ยต้องไปทําที่บ้านเพราะที่บ้านมันมีเหตุการณ์ที่ช่วยให้เราได้ปฏิบัติได้เยอะเลย นะพ่อพวกเราต้องทํางานหาเงินยังต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียยังต้องทําหน้าที่การงานทําเพื่อนบ้านคนงานอะไรเนี้ยพร้อมที่จะให้เกิดสติปัญญาได้ตลอดแต่ว่าสติสัมมาสติเทวาเตรียมไว้ได้มากพอไหมถ้าไม่มากพอเดี๋ยวมิใช้สติมันก็เกิดมาจนได้ทําให้เราเผลออันนั้นก็จะทําอันนี้ก็จะทําอันนั้นก็จะเกี่ยวอันนี้ก็จะคล้องถ้าสติไม่พอเป็นไง แต่แรกๆใช้ได้ดีอยู่อันานานไปหมดแล้วเพราะใช้แล้วไม่ไปยอมเตมิมไม่ยอมเพิ่มก็หมดเป็นเหมือนกันเพราะตราบใดที่มันยังไม่คงที่ในใช้แล้วมันหมดนะแต่ถ้าอะไรมันคงที่แล้วที่เป็นปรมามัดมันคงที่แล้วยิ่งใช้ยิ่งเกิดแต่ถ้าอะไรสติเนี่เป็นปรามัตดเป็นออโต้เป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งเกิดทํางานยิ่งมากยิ่งดีสติปัญญาเกิดเพิ่มเยอะขึ้นแต่ถ้าหากว่าสมาสติยังไม่คงที่เนี่ย เพราเราเพิ่มไม่เป็นเน่ยเรียกว่าไม่คงที่เหมือนกับน้ําที่เราใช้ก็บกไปเลยแต่ถ้ามันเป็นปารามัติ์เนี่ยมีระบบออโต้พอลดไปหน่อยมันก็ออโต้ก็ทํางานได้ใช่ไหมน้ําก็ควบคุมมันอยู่องนี้ดับเดิอมนี่ปรามัติข้างนอกกับอัตโนมัติปรมัติข้างในกับอัตโนมัติข้างนอกมันทําหน้าที่แบบเดียวกันนะอันนึงเป็นวัตถุเราจึงใช้ระบบออโต้กันทุกนั้นทุกันนะันนี่คือหลักรูปทํานา้ำทำมันส่งถึงกันได้ชัด <im> <ating> แต่เนื่องจากว่าเรายังไม่เห็นทุกธรรมนำธรรมที่ชัดเจนก็ต้องทําไปเรื่อยๆทั้นั้นใครที่เข้ามาสู่วิธีการปฏิบัติแบบนี้แล้วเนี่ยยังเข้าใจไม่ได้ก็ทิ้งไปหาอย่างอื่นก็ถือว่ามีวิบากกรรมเยอะเกินไปก็ต้องไปใช้กรรมด้วยก่อนเมื่อไหร่กรรมมันน้อยลงมาก็เวียนมาใหม่มาเที่ยวมาเวียนใหม่นี่อเอาไม่ได้อีกก็เรียกว่ามีฉายทิฏฐิมันเยอะเกินไปก็ต้องมาปรับทิฏฐิให้มันลง แต่ถ้าคนไหนมาแล้วเข้าใจได้ทําได้คนนั้นถือว่ามีบุญนะไม่ต้องเสียเวลาแล้วอย่างที่กล่าวแล้วว่าถ้าเข้าได้สมาทิฏิสมาสติด้วยวิธีนี้แล้วเนี่ยจะไปปฏิบัติวิธีอื่นวิธีไหนก็ได้มันจะทํามันจะรู้ว่าอันไหนมันใช่อันไหนไม่ใช่อันนี้มันถูกอันั้นมันผิดมันจะแยกออกอาจารย์องค์ไหนสอนใช่อาจารย์องค์ไหนสอนไม่ใช่มันจะแยกออกแต่ถ้าเราไม่ได้สมมาสติก่อนนะมันไม่ได้เอาสาระตรงนั้นเลย เพราะวิธีแต่และ ว, วิธีเขาก็มีเทคนิคของเขามีคนของเขามีชิดติวิยาของเขาในการที่จะทําให้เราอ่าติดใจแต่ถ้าเราไม่มีหลักของเราภายในเราแยกไม่ออกอันไหนมันดีอันไหนมันถูกบางทีมันดีแต่มันไม่ถูกบางอย่างมันถูกแต่มันไม่ดีก็มีบางดีด้วยถูกด้วยก็มีบางทีดีอย่างเดียวแต่ไม่ถูกบางทีถูกอย่างเดียวแต่ไม่ดีก็มี เพราะนันตรงนี้มันจะต้องมีปัญญาของเราระดับหนึ่งนะถึงจะแยกอะไรออกมันไม่ออกนะลองศึกษาดูนะเพราะนั้นเองก็ในวันนี้หนูพ่อเขาสรุปไว้เท่านี้